สแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับชาวคณะงานสับดาญความปลอดภัยทั้งผู้ที่จัดงานแล้วก็ผู้ร่วมเข้าโครงการจะได้รับประโยชน์ในการใช้ชีวิตกับการทำงานอย่างไม่มีอุบัติภัยและก็มีความปลอดภัยในชีวิตผมเองก็ ในฐานะที่มาวันนี้ก็จะมาทําหน้าที่เป็นเทวทูตทูตของพญายมเพื่อมาเตือนจิตสกิดใจมาแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตในบางอย่างให้ทุกๆ ท, ท่านเนี่ยได้รับประโยชน์ตามสมควรเกตเวลาต้นเรื่องเนี่ยเสียววินาทีที่ประมาท เปลนชีวิตคนทั้งคนคือฟังแล้วมันเครียดแต่ผู้พูดจะไม่เครียดกับการพูดและผู้ฟังก็ต้องฟังแบบสบายสบายเมื่างกันเราผมมาเล่าเรื่องบาสิ่งบาอย่างให้ฟังแล้เราก็ฟังธรรมดาโดยปกติแล้วเนี่ยมีพุทธภาษิตอยู่บทหนึ่งซึ่งทุกท่านอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาบ้าง พุทธภาษิตเน้นกล่าวไว้ว่าความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายเคยได้ยินไหม <c oughs> อันนี้ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ตายนะ <c oughs> บางทไาีไม่ตายแต่เจ็บตัวไม่ตายแต่เจ็บตัวถึงเจ็บตัวยังไม่เพียงพอบางทีก็อาจจะ พิการแบบสภาพยอย่างนี้ก็ได้บางคนโชคร้ายก็ตายไปเลยหมดบุญไปเลยอันนี้เกิดจากความประมาทอย่างนั้นเนี่ยนอกจากเวลาความปาทเกิดขึ้กับเราแล้วเนี่ยเราจะมีทุกข์เพียงคนเดียวไม่ใช่หรอกคนที่รักเราก็พอยเป็นห่วงเราแล้วก็เป็นทุกข์แทนตัวเราด้วยเพราะนั้นความประมาทเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรอกความประมาทคืออะไรคือการ ขาดสติเป็นอยู่อย่างขาดสติตรงข้ามกันนะถ้าประมาทแสดงว่าไม่มีสติถ้าไม่สติแล้วก็จะไม่ประมาสติเราเคยได้ยินมามากเคยเข้าใจไ้ยความหมายของสติแปลว่าอะไรสองคำสติเนี่ยความหมายกว้างมากเกื้อกูลเราก็ทั้งเกิดจนตายเลยถ้าขาดตัวสติตัวเดียวเท่านั้ น, นชีวิตเราก็ อาจจะไปไม่รอดก็ได้สติคือความระลึกได้คือความไม่หลงลืมตัวคือสภาพติดจิตใจไม่เลื่อนลอยไม่เหม่อยลอยรู้ว่าตอนนี้ร่างกายเราเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่สติรู้ว่าจิตใจเราเนี่ยคิดอะไรเลื่อนลอยไปไกลแค่ไหน เนี่ยคือธรรมชาติของสติก็คือรู้ตัวทั่วพร้อมเมื่อเรากำลังทำอะไรกำลังคิดอะไรกำลังพูดอะไรเนี่ยคือเป็นความหมายของสตินะนสติครับคำเดียวเท่านั้นเราสามารถใช้ได้ทั้งตลอดชีวิตเลยและมีอยู่ที่ไหนสติอยู่ที่วัดแล้วอยู่ที่ในตำราแล้วอยู่ที่พระก็อยู่ที่เื้อที่ตัวเราเนะสำคัญนะถ้าเราขาดสติเนี่ย เรากลายเป็นคนที่เหมือนเื็นคนที่ไม่มีชีวิตเลยเคยสังเกตไหสติเนี่ยคือชีวิตถ้าขาดสติเีก่อยแล้วก็เหมือนเราไม่มีชีวิตเพราะอะไรเพราะจิตใจเราจะเลื่อนลอยเป็นอารมณ์ต่างๆอย่างนี้เราบางท่านเนี่ยนั่งที่เนี่ยนั่งฟังตาแป๊บนะดูเหมือนจะเป็นการฟังแต่บางทีใจเราคิดไปนะคิดไปเรื่องอื่นเนี่ยนี่แปาขาดสติแล้ว เราไม่รู้ว่าแล้ว่าเรากําลังฟังอยู่แต่เราไม่รู้ว่าเรากําลังนั่งอยู่ที่ซ้ำไปเรียกว่าลืมเนื้อลืมตัวใช่ไหมคนเราจะมีชีวิตอยู่ได้นั้นต้องประกอบด้วยกายกับจิตกายที่เราเห็นอยู่นี่แหละที่นั่งอยู่เนี่ยคือกายจิตซึ่งประกอบด้วยสติเนี่ยมันต้องอยู่กับอยู่ที่กันกายกับจิตต้องอยู่ด้วยกันถ้าแยกกันไรแล้วก็ไม่ใช่คนละกายเป็นซากศพเห็นไหม ซากศพเนี่ยไม่มีจิตเพราะนั้นจิตกับกายต้องอยู่กันอยู่ด้วยกันและสติเนี่ยเป็นตัวผูกผูกให้กายกับจิตอยู่ด้วยกันเนี่ยหมายถึงหนึ่งชีวิตคือหนึ่งชีวิตนี่คนเราที่ขาดสติเพราะว่าอะไรเพราะว่าคิดคิดปรุงแต่งจิตใจเลืออเ่อนลอยไปเห็นเนี่ยอันนี้ความคิดเนี่ยทำให้คนเรานี่ขาดสติ ไม่อยู่กับเดินกับตัวเวลาเรานั่งเราก็ไม่รู้ว่าเรานั่งจิตใจก็คิดเวลาเราเดินลองเกตดูเวลาเดินนะเราเดินด้วยความเคยชินเราทําอะไรทําด้วยความเคยชินด้วยความชํานาญแต่เราไม่เคยทำด้วยสติเราเดินไปเนี่ยเราก็ไม่รู้วเราเดินเดินไปคุยกันไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราเดินหรอกเพราะใจเราไปมุ่งอยู่กับการพูดคุยเดินไปโทรศัพท์ไป เราไม่อยู่กับการเดินเลยบางทีเดินเลยเดินเลยในที่ที่เราต้องการจะไปด้วยซ้ำไปเพราะเราโม่แต่เพลินกับการพูดคุยโทรศัพท์และที่สำคัญนะเดินข้ามถนนคุยโทรศัพท์เนี่ยเห็นไ่มเราไม่รู้ตัวว่าเรากำลังเดินเพราะจิตใจเราเลื่อยลอยไปกับการพูดคุยเนี่ยคือการขาดสติแม้กระทั่งเรากินเรากินอาหารเนี่ยบางทีเราก็เผลอนะอยู่กับการกิน แต่ว่าใจเราก็คิดเคยไหมกินไปคิดไปนั่งกินข้าวแต่ใจก็คิดวางแผนเป็นโครงการต่างๆมากมายไม่ได้กินอาหารแล้วกินโครงการก็มีนะอาหารราคาแพงๆรสชาติอร่อยบางทีเราก็ไม่รู้รสชาติก็เพราะมัวแต่คิดเป็นอย่างนั้นไหมชีวิตเราก็เป็นอย่างนี้แหละจะต้องขาดสติเพราะว่าคิด แต่ทําอะไรทําด้วยความเคยชินด้วยความชํานาญมีโอกาสผิดพลาดได้ง่ายเลยโดยเฉพาะการทํางานเนี่ยถือว่าสำคัญมากการทํางานถ้าว่าเราไม่มีสติโยงจิตใจให้อยู่กับปัจจุบันกับแดนงานของเราเนี่ยหรืออยู่กับหน้างานของเราเนี่ยมันอันตรายมันเกิดการผิดพลาดแล้วก็ไม่มีความสุขการทํางาน เพราะทำงานตรงนี้แต่จิตใจคิดไปข้างหน้าจะต้องรีบทำให้เตร็จจะต้องทำให้ดีต้องทำให้มากไม่อยู่กักบร่างตัวไม่อยู่กับแดนงานตรงเนี้ยมันเริ่มมีปัญหาแนละ้วแล้วก็ไม่มีความสุขคนที่ทำงานแล้วไม่มีความสุขเนี่ยเป็นเพราะว่าทำไปคิดไปทำไปคิดไปคิดกังวลหลายๆอย่างหวังผล ยอยากได้สีขัน้นโบนัสสวัสดิการคิดไปแต่ว่าลืมงานในปัจจุบันที่เรากําลังทําอยู่ขาดปัจจุบันไปอย่างนี้ไม่มีความสุขแต่ถ้าเราทํางานด้วยสติจิตใจจดจ่อกับงานเนี่ยเขาเรียกมันเกิดสมาธิถ้ามีสติแล้วจะมีสมาธิทําให้จิตดิจจจ่ออยู่กับงานแล้วมันเพลินเพลินกับงานมันมีความสุขที่เราทํางานไม่มีความสุขเพราะว่า ใจเราไม่อยู่กับการทำงานอันนี้เป็นเคสต้องการทำงานอย่างมีความสุขให้มีสติอยู่กับหน้า ง, งานเนี่ยมันจะมีความเพลิดเพลินกับการทำงานแล้วงานก็ไม่ค่อยจะผิดพลาดถึงจะผิดก็มีสติรู้ได้ทันเนี่ยอันนี้สำคัญมากถ้าใจเราเลื่อนลอยไปเนี่ยไม่อยู่กับแดนงานเนี่ยไอ้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันเสียหายมากเสียหายทั้งงานแล้วก็เสียหายทั้งตัวเราด้วย สำคัญคือตัวเรานี่แหละสำคัญที่ตัวเรานั้นจึง อ, อ, อยากจะแนะนําว่าการทํางานนั้นถ้าจะไให้ผิดพลาดหรือผิดพลาดน้อยที่สุดนั้นก็ทําด้วยสติทํางานอย่างมีสติการมีสติก็คือการอยู่กับแดนงานกับหน้า ง, งานเราอย่างรู้สึกตัวอยู่ปัจจุบันอย่างเงี้ยเป็นการป้องกันอุบัติภัยได้ดีมากเลย หลักของการทำงานที่ไม่ให้เกิดความผิดพลาดนั้นหรือไม่ให้เกิดอุบัติภัยนั้นมีหลักอยู่ว่าการป้องกันที่ต้นเหตุย่อบดีกว่าการแก้ไขที่ปลายเหตุถูกไมการป้องกันที่ต้นเหตุเนี่ยดีกว่าการแก้ไขที่ปลายเหตุที่เขาพูดเป็นภาษาไทยว่ากันไว้ดีกับแก้ ถ้าแย่ที่จะแก้ไม่ทันเนี่ยอันนี้สำคัญว่า ก, การทำที่ต้นเหตุการป้องกันที่ต้นเหตุมีอยู่ข้อข้อหนึ่งที่น่าพิจารณาก็คือนอกจากการมีสติอยู่กับหน้างานแล้วเนี่ยเราจะต้องทำตามกฎทำตามกฎระเบียบที่โรงงานตั้งเอาไว้อย่างเคร่งครัดอันนี้สำคัญว่าเป็นการป้องกันการ เกิดอุบัติภัยในขณะทำงานได้ดีมากเลยคือทำตามกฎอย่างเคร่งครัดกฎบางข้อที่เราไม่ชอบอ่ะแต่เราไม่ชอบนะผลเสียอยู่ที่เราเพราะกฎระเบียบที่เขาตั้งไว้แล้วเนี่ยเขาตั้งไว้เพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดการผิดพลาดมาแล้วเพราะเกิดการผิดพลาดจึงต้องตั้งกฎขึ้นมาใช่ไหมอย่างกฎหมายเนี่ย กฎหมายเนี่ยเขามีไว้ให้เราผิดนะ <c oughs> เพราะว่ามันเกิดการผิดพลาดมาได้จึงตั้งเป็นกฎหมายขึ้นมากฎระเบียบศีลมินายของพระก็เหมือนกันเพราะมีการผิดพลาดจึงต้องตั้งกฎขึ้นมาแล้วก็ให้ทําตามกฎอย่างเคร่งครัดความผิดพลาดก็จะไม่เกิดขึ้นอันเนี้ยทาตามกฎเป็นการป้องกันอุบัติภัยแล้วก็จะได้ไม่ต้องมาแก้ไขในภายหลังอย่างเช่นอะไรมีอยู่ข้อนึง ในโรงงา น, นเห็นบ่อยๆเกือบทุกโรงงานเลยคือให้สวมหมวกนิรภัยหมวกนิรภัยมีไว้ทำไมไว้ป้องกรรันศีรษะเลยไอ้ที่เห็นชัดตรงนี้เพราะว่าผมมีตัวอย่างของผู้พิการคนหนึ่งซึ่งหน้าเสดายนาคนก็มากเลยเขาไม่ได้ทำตามกฎของโรงงานเขาเป็นวิศวกรด้วยนะมีความรู้สูง ทำงานไม่ได้สวมหมวกนิรภัยเขาใช้เครื่องเครื่องเจียเครื่องเจียที่เป็นหินแล้วก็ไม่ตรวจสภาพก่อนด้วยใช้เครื่องเจียเจียเหล็กตอนนี้ว่าเครื่องเจียเนี่ยไอแผ่นมันเนี่ยมันขันไม่แน่นมันขันไม่แน่นเวลาเปิดสวิตช์มาเนี่ยมันมีอาการสั่งขันไม่แน่นแต่เข้าไปเจียหินเอาไปเจียเหล็ก พอไปเจียเหล็กแล้วเนี่ยมันเกิดการสบับสหินน้่มัแตกเลยแต่ประสะเก็ตเนี่ยตัดตัดตั้งแต่ศีรษะไปถึงกระโหลกศีรษะเลยนะถึงมันสมองเลยกะโหลกศะตัดเลยเครื่องเจียเหล็กเนี่ยมันเจียเหล็กได้แล้วมันเจียกะโหลกศีรษะนี่มันเลยไม่ยากแล้วตัดไปเลยเนี่ยศีรษะด้านนึงสมองเนี่ยแตกไปเลยกลายเป็นอมาาัมพาต ครึ่งซี่เดินไม่ถนัดแล้วก็สมองนี่เบลอไปเลยเพราะว่าไม่ได้สวมหมวกนิรภยัยแล้วก็ไม่สำรวจดูอุปกรณ์ที่นี้แล้วก่อนว่ามันพร้อมที่จะใช้งานหรือไม่แลตัวเอก็เลยเดือดร้อนจากวิศวกรที่มีอนาคตรุงโรนเนี่ยกลายเป็นคนพิการแบบเื่อตัวเองไม่ได้ลูกกับภรรยาต้องแยกไปอยู่ที่หนึ่งเขาต้องไปทางานเลยลูกภรรยาทิ้งไปอีกที่หนึ่ง ตัวเองต้องไปเชิญชีวิตอยู่กับคุณแม่อันนี้ประมาทแค่เสี้ยววินาทีเนี่ยเปลี่ยนชีวิตได้ทั้งชีวิตเลยจากคนเมียนาอคดลุ่งโรดเปนวิศวกรเนี่ยกลับมาการลงคนพิการที่ไม่มีคุณค่าเลยอนนี้เกิดจากไม่ทำตามกฎไม่สวมหมวกนิรภัยแล้วก็ไม่ตรวจดูอุปรกรณ์ที่เรียบร้อยแล้วก็เสี่ยงกล้า <c oughs> เกิดความประมาทขาดสติ เสียหน้ากาเเพราะฉะนั้นการทำงานเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้อ่านตามกฎเขามีหลักที่ว่าต้องทาําตามกฎต้องมีจิตสานึกที่ต้องมีสติไข้ ค, ควรซะก่อนแล้วค่อยทำแล้วก็อย่าเสี่ยง <c oughs> อย่าเสี่ยงและที่ต้องการอีกอย่างที่บอกว่าอีกสองข้อนะนะ่ต้องคอยเตือนนะอะไรที่มันไม่เรียบร้อยต้องคอยระวังคอยเตือน อันนี้เป็นหลักสำคัญเลยถ้าเรามีจิตสำนึกทำตามอย่างนี้อย่างเข่งทัดเนี่ยสักห้าข้อเนี่ยการใช้ชีวิตเนี่ยมันจะดีขึ้นในการทำงานอันนี้เป็นซึ่งความปลอดภยัยอันนี้คือภัยภายนอกที่มาสู่ตัวเราแต่ผมจะเสนอ อ, อย่างนึงคือภัยที่น่ากลัวนะก็คือเริ่มจากตัวเราเนี่ยไอ้ภัยข้างนอกไม่เท่าไหร่แล้วถ้าเราไม่ไปผิดพลาดเนี่ยไม่เป็นไร แต่ว่าตัวเราสำคัญมากภัยร้ายที่น่ากลัวเนี่ยอยู่ที่ตัวเราแล้วงั้นผมจะมีภัยสามภัยที่พวกเราต้องระวังไว้ภัยสามภาัยตัวนี้กาลังคุกคามมากคุกคามกับคนทุกคนที่ไม่มีจิตสำนึกไฟไหม้น้ำท่วมผีหลอกมีอยู่สามภัยอยู่ตัวเราเนี่ยมียไฟไหม้มีน้าท่วมมีผีหลอก ไฟไหม้คืออะไรคือบุหรี่บุหรี่เนี่ยมันเผาสิ่งภายนอกอะไรเผาโรงงานทั้งโรงงานเลยบุหรี่เผาสังคมด้วยแล้วก็เผาเงินเราต่างหากแล้วก็เผาปอดเราอีกเนี่ยบุหรี่เนี่ยมันเป็นภัยที่ร้ายแรงมากนะเพราะฉะนั้นถ้าเราสูบบุหรี่ติดบุหรี่ก็ผมว่าควรจะเลิกถ้าเลิกไม่ได้ก็ควรจะเลิกอะ วิธีการเลิกบุหรี่นี่ง่ายๆ ง, ง่ายนิดเดียวคืออย่าไปสูบมันถ้าไปสูบรับรองเลิกได้อ่ปาปากเขาไว้มันสูบไม่ได้แล้วเพราะมันเผาปอดเรามันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเนี่ยเป็นภยัยภยหนึ่งที่น่ากลัวนะบุหรี่เนี่ยเลิกเมื่อใดก็ควรเลิกอันนี้เป็นภัยหนึ่งอีกภัยหนึ่งเมื่อกี้นี้บุหรี่คือไฟไหม้ใช่ไหมน้ําท่วมน้ําท่วมเนี่ย คือเหล้าหรือสุลาสุลาแปลว่าเหล้ากินแล้วเมาเดินโซเซสุราแปลว่ากล้าอสุลาแปลว่ไม่กล้าเห็นไหมพวกอสุลกาเลยเนี่ยไม่กล้าเจอหน้าหลบหน้าแต่สุลาแปลว่ากล้าดื่มสุลาดื่มเหล่ายอมใจสังเกตดูคนดื่มสุลานี่ทำชั่วทุกอย่างเลยศีลห้าข้อมีข้อเดียวที่น่ากลัวคือข้อสุลา ผิดสุราข้อเดียวท่นเองสามารถผิดได้อีกสี่ข้อสุรานี่มันกล้าไม่ให้กล้าหารกล้าบ้าบินเนี <c> ่ย <oughs> สำคัญนะผมเคยไปพูดในเรือนจํานักโทนเรือนจําเนี่ยร้อยละเก้าสิบร้อยละเก้าสิบห้าต้องดื่มสุรายอมใจซะก่อนจึงจะไปฆ่าเขาต้องดื่มสุรายอมใจซะก่อนจึงจะไปคมคืนเขาดื่มสุรายอมใจจึงไปลักขโมยเขา กล้าบ้าบินสุราผมเรียกเสมอว่าเป็นน้ำปทุดสลายสติเป็นน้ำละลกเป็นน้ำเปลี่ยนนิสัยมีคนบอกอะไรอ่เีย น, นะบอกสุราเนี่ยเป็นน้ำที่สุนัขไม่ดื่มโอ้ร้ายแรงมากเลยน้ำที่สุนัขไม่ดื่มเพราะนั้นมันไม่มีประโยชน์เลยถ้าเลิกได้ควรเลิกถ้าเลิกไม่ได้ก็ควรเลิกอะแต่ วิธีการเลิกนะั้นง่ายๆเลยปลอดภัยไหมอขอหมวดอนุญาตินหน่อยน่ากลัวคนทําเนี่ยไม่ค่อยชอบผมพูดวันนี้ถ้าเลิกไม่ได้เนี่ยก็ควรจะเลิกนะวิธีการเลิกคือหยุดอย่าไปดื่มอย่าไปดื่มไม่ต้องดื่มนะรับรองเลิกได้ผมเคยอยจะเล่าถึงประสบการณ์ของท่านท่านหนึ่งที่เลิกบุหรี่เลิกบุหรี่เนี่ยแล้วก็สามารถเลิกสุราได้ด้วย ผมให้เขาฝึกสติคนคนนี้แต่ก่อนเคยเป็นลูกศิษย์ผมต่อหลังบวชเป็นพระเลยเขาบอกเขาติดสุลากระทั่งต้องออกจากงานเนาะออกจากงานแล้วก็สูบบุหรีก่กระทั่งปอดเนี่ยไม่ดีที่ออกจากงานเพราะว่าอะไรเพราะว่าก้าวร้าวพูดคำบัญชาดื่มสุลาแล้วก้าวร้าวพูดบัญชาแล้วการทํางานเนี่ยไม่ค่อยดยีผิดพลาดเมาไว้ทํางาน ท่านจะเลิกท่านเลิกกล้าวได้แล้วแต่เลิกบุหรี่ไม่ได้บุหรีเลิกไม่ได้ก็เลยลงทุนบวชเลยเพื่อจะเลิกบุหรีเนี่ยมาหาผมที่บ้านนครสวรรค์นะบอกอาตมาจะเลิกบุหรี่ได้ยังไงบอกอูไม่ยากเลยอย่าไปสูบมันถ้าไม่สูบเนี่ยเลิกได้ทันทีเลยจะทันไงจะไม่สูบอ่ะก็คือต้องมีสติฝึกสติก่อนแล้วึกสติแล้วมันจะเลิกสูบบุหรี่เลิกบีมเล่าได้ยังไงเลิกทําชั่วได้ยังไง ถ้าลองดูให้ท่านฝึกสติอยู่ที่บ้านผมนะลงทุนมาอยู่ที่บ้านผมเพื่อจะเลิกบุหรี่เวลาอ่ะให้ท่านเดินจงกรมนะเดินจงกรมเป็นยังไงเดินอย่างมีสติเดินไปเดินมาท่านมีย่ามอยู่ใบหนึ่งเอาย่ามไปแขวนไว้ต้นไม้ท่านก็เดินจงกรมเดินจงกรมคือการเดินกลับไปกลับมาสักสิบเก้าเดินไปสิบเดินกลับมาสิ เดินยังมีสติในการก้าวเท้าแต่ละครั้งพระกุณเจ้าอเท้ากระทบพื้นปั๊บให้มีสติรู้พอก้าวไปก้าวหนึ่งเท้ากระทบพื้นให้มีสติรู้อันนี้เป็นการฝึกสตินะพอก้าวไปก้าวให้มีสติรู้ทุกครั้งที่เท้ากระทบพื้นให้มีสติรู้ให้มีสติรู้รู้อยู่แค่นี้ท่านก็ทำนะบางทีมันเกิดความคิดอยากอยากสูบบุหรีเต็มที่เลย เกิความอยากมาถ้านก็ทิ้งให้มีสติรู้กับการก้าวที่เท้ากับตัวพื้นไว้คือมาสนใจอยู่ตรงนี้แหละไอ้ความอยากมาความคิดแต่ให้พยายามมารู้สึกตรงนี้ไว้เวลาท่านมีสติไอ้ความคิดอยากเนี่ยมันก็หายไปแต่ขาดสติไอ้ความคิดอยากก็ดึงไปมีอยู่ครั้งท่านเผลอสติท่านเดินจงกรมอยู่ในลานจงกรมเนี่ย ท่านเพอเดินออกนอกลานจงกรมไปเลยนะเดินไปที่ย่ามเดินไปที่ย่ามเพื่อจะไปคว้าบุหรี่ขึ้นมาเอ ม, มาดูอวสุบท่ารู้ตัวพอถึงย่ามปั๊บรู้ตัวแล้โอ๋นิขาสติเดินออกนอกลานจงกรมไปเลยเพื่อจะไปหยิบบุหรี่ท่านเผลอตัวแล้วก็ ต, ตั้งสติได้มาเริ่มเดินเดินจงกรมใหม่แต่ผมบอกว่าแล้วพระกุณเจ้าจะเอาย่ามไปทําไมลนะ่ะอ่ะอาตมาต้องมีบุหรี่ไว้ก่อนเพื่อ ให้กำลังใจถ้าเวลาอาตมาอยากออกมาท่านก็อาตอมาก็จะหยิบบุหรี่มาดมๆแล้วก็เก็บไว้เหมือนเดิมไม่สูบดมก็ยังดีบอกถ้าท่านยังพกบุหรี่ติดยาอยู่ท่านจะเลิกไม่ได้ถ้าอะไรตัดสินใจเดินโจกงกรมไปพอเดินไปทิ้งยาปับคว้าบุหรี่คว่างทิ้งเลยคว่า ง, งไม่นน้ำเจ้าไปยาเลยตั้งแต่นัน้นตุ้มตั้มมาท่านเลิกสูบบุหรี่เลยท่านบอกว่าท่านเห็น ความคิดที่มันอยากไอ้ความคิดที่มันอยากเนี่ยทำให้ท่านจะต้องสูบเมื่อท่านสูบท่านก็ติดพอติดแล้วท่านก็อยากพออยากแล้วสูบสูบแล้วติดติดแล้วอยากก็วนเวียนอย่างเงี้ยไม่เลิกทั้งเล่าทั้งบุหรี่เพราะเห็นความคิดที่มันอยากแล้วก็ไม่ทำตามความคิดถ้าใครสามารถเลิกสูบบุหรี่เลิกสึกดื่มเล่าได้ เพราะมีสติรู้ทันเห็นไหมเวลามาเกิดความอยากปับ๊บถ้าเราขาดสติแล้วก็ทําตามความอยากแล้วเราก็เจ็บเจ็บแล้วก็ติดติดแล้วก็ไม่จบอะมันก็ไม่อยากไปเรื่อยๆทีนี้พอเราเกิดความอยากปั๊บมีสติรู้ทันไม่ทําตามความอยากทุกอย่างจบจบต้องไม่ทําตามความอยากเนี่ยวิธีการเราชนะเ น, นี่ยง่ายๆ <c oughs> ไม่ต้องไปถ้ำกระ บ, บอกไม่ต้องไปไหนด้วยเนี่ยเมื่อกี้นี้ไอ้ภัยร้ายสามข้อที่ว่าเราควรระวังคือ ไปไหมน้ําท่วมอีกข้อนึ่งคืออะไรนะอ่าผีหลอ ก, อลอกแสดง่าตั้งใจบานผีหลอกนี่น่ากลัวนะ เ, นเมื่อกี้มีคนใบ้อะไรเอ่ยผีหลอกอ่าการ พ, น, น, น, น, ารพ น, นันเนี่ยผู้ที่ตีการพนันเนี่ยหมายถึงผู้ที่โดนผีหลอกแล้วผีพ น, นันผีหลอกน่ากลัวนะเดี๋ยวนี่ยมีหลายอย่างมีพ น, นันฟุตบอลพ น, นัน หวยเล่นหวยเมื่อสามวันที่ผ่านมาก็หวยออกแล้วติดแล้วไม่เลิกอะ่ะเลิกยากมากเลยผีพนันเนี่ยเลิกยากมาเลยมีเรื่องเล่าเล่าหนึ่งว่าอยาก่าให้ฟังว่ามีพระรูปหนึ่งท่านใบหวยเก่งใครไปขอหวยท่านท่านบอกหวยได้ถูกทุกงวดแต่ไม่ถูกทุกคนใบหวยว่าถูกทุกงวดแต่ไม่ถูกทุกคนใครไปหาท่านเนี่ย ท่านก็นให้เลขนี้แหละอยากได้ไหมเลขเด็ดท่านให้ไว้เลขเด็ดว่ามีอยู่สามเลขเลขสองห้าและก็แปดแล้วถ้าบอกว่าระวังเลขข้างเคียงแล้วศูนย์มาแรงด้วยเนี่ยให้แล้วนะสองห้าแปดระวังเลขข้างเคียงแล้วก็ศูนย์มาแรงเลขข้างเคียงของสองคืออะไร หนึ 1> 1่งกับสามเล ข, ข้างเคียงของ5้าล่ะสี่กับหกเล ข, ข้างเคียงของแปดนะเจกับเก้าศูนย์มาแรงครบเลยถูกทุกงวดแต่ไม่ถูกทุกคนนะ <c ười> ใครไปหาท่านยังไงแบบเนี้ยให้แบบเนี้ยฉนนั้นภัยสามภัยระวังให้ดีนะเนี่ยไฟไหม้น้ำท่วมผีหลอกบุหรี่สุราการพ น, นันเลิกได้ดีมากเลย ถ้าเลิกไม่ได้ก็ควรเลิกถ้าเลิกยังไงคืออย่าไปทําตามความคิดอยากเนี่ยสำคัญมากความคิดนี่มันพาชีวิตเราไปถ้าคิดไปทางที่ดีชีวิตเราก็ดีคิดไปทางเลวร้ายอบายบมุกชีวิตเราก็ตกต่ำแล้วสิ่งที่ทําให้เราขาดสติก็คือความคิดทั้งนั้นตัวสําคัญเลยนะถ้ามีสติรู้ทันเนี่ยรู้อยู่กับได้อกับตัวเนี่ยความคิดเนี่ยมันจะไม่ปรุงแต่งมันจะไม่ปรุงแต่งเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นการทํางานก็ดีการใช้ชีวิตก็ดีเนี่ยขอให้เรามีสติเป็นตัวหลักเวยเลยพอมีสติเราก็ทําตามกฎพอมีสติเราก็มีจิตสํานึกไคล้ควรก่อนที่จะทําพอมีสติเราก็ไม่ประมาทพอมีสติเราก็ไม่เสี่ยงเ <c oughs> หมือนกันนะว่าตัวเดียวซะหน้าเป็นตัวหลักสําคัญเลยอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ยเราต้องมาใส่ใจตรงเนี้เพราะฉะนั้น เรื่องของการทํางานเนี่ยก็ต้องอาศัยหลักที่เรามีกฎห้าข้อแล้วก็มีสติควบคุมอยู่แล้วอยากจะเตือนบอกว่านี่คือเรื่องของการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตเนี่ยสำคัญมากคนทั่วไปเปนี่ยประมาทในการใช้ชีวิตเรายังไม่แก่เรายังไม่มีความทุกข์เรายังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเรายังไม่ตายเราใช้ชีวิตยังไงก็ได้หลงเรื่องไปกับความสุข หลงเลอไปกับวัยที่ยังไม่แก่หลงเลอไปกับความไม่เจ็บไข้ได้ป่วยกับความไม่ตายนี่แหละถ้าเราลืมสิ่งเหล่านี้แล้วก็เป็นเทวทูตบอกเราแล้วก็เราจะมีความประมาทในชีวิตเพราะชีวิตเรามีสองด้านคือมีสมหวังกับผิดหวังใช่ไหมมีใครสมหวังตลอดไปบ้างไม่มีอะและมีใครผิดหวังตลอดชีวิตไม่มีหรอกเรามีทั้งสมหวังแล้วก็ผิดหวัง ในแต่ละวันเร้่ตำไปถ้าเกิดการสมหวังทำอะไรได้จำตามใจหวังมันก็จะไม่มีปัญหาใช่ไหมแต่ถ้าผิดหวังขึ้นมาล่ะก็จะมีปัญหาเลยบางคนถึงกับต้องฆ่าตัวตายเพราะฉะเรื่องการผิดหวังเนี่ยทุกคนหนีไม่พ้นจึงอยากจะแนะนำว่าเราควรจะศึกษาเรื่องธรรมะไว้บ้างฟังธรรมะ สนใจธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมะไว้บ้างธรรมะนี่ช่วยเราได้ช่วยทาให้เรานี่ไม่ประมาทในชีวิตช่วยป้องกันรักษาเวลาที่จิตใจเราเป็นทุกข์ <Yeah. S 1> เวลาเราเป็นทุกข์เนี่ยถ้าพึ่งธรรมะเราก็เราจะแก้ปัญหาได้ไม่จะทำจะทใจได้นยามที่เราทุกข์ทำใจได้คนที่ปฏิบททัติทมศึกษาทำเสมอๆเนี่ยชีวิตเนี่ยมันจะมีแต่ความสุขไม่แต้ความสุข จะโมองโลกในแง่ดีและโมองโลกในแง่งความเป็นจริงทำให้ชีวิตเราเนี่ยไม่ประมาทในยามที่เรามีความสุขเนี่ยถ้าเรามีสติคุ้มครองมีธรรมะอยู่เนี่ยความสุขเมตตาอยู่ได้นานเลย <S <s นะเพราะฉะนั้นต้องมีธรรมะเอาไว้เป็นภูมิคุ้มกันทางจิตเวลาเจอปัญหาชีวิตจะได้แก้ปัญหาได้ให้เหมือนอย่างชีวิตผมผมนี่ แต่ก่อนเนี่ยไม่เคยสนใจเรื่องธรรมะเลยเพราะธรรมะเนี่ยมันไม่จะเป็นตลาดชีวิตเรามีข้าวกินมีงานทำธรรมะเนี่ไม่จําเป็นแล้วผมตั้งแต่เด็กเนี่ยผมเป็นลูกชาวเรือใครรู้จักเรือบ้างเรือที่โยงกันเป็นเขาเรียกพ่วงกันในลร้านเจ้าปยาไปร้นเจ้าปยาผมอยู่เรือผมไม่มีบ้านสามัยก่อนอยู่ที่เรือ แต่เด็กเล็กเลยสนามเด็กเล่นผมก็คือแม่น้ําผมทําอะไรแบบประมาทไอ้ว่าประมาทเนี่ยคือว่ารู้เท่าไม่ถึงการมีความท้าทายมากในชีวิตเจออุปสรรคนี่ไม่ย่อท้อท้าทายชอบเล่นน้ําจากกระโดด น, น้ําจากลังคาลเรือลงมาในน้ำกระโดด น, น้าลงไปแล้วก็ดาลอดใต้ท้องเรือไปโดดโผล่ข้นเกาะเรือเรือพวกเนี่ยไปเกาะเรือบางทีก็ใช้เวลาเรือก็พวกัานจะมีเชือกใช่ไหม ผมก็ใช้ถอดนี่ตายตายไปตา ย, ตายมาสนุกไม่รู้ว่า น, นั่นคือเหตุของทำเราต้องผิดพลาดในชีวิตทย่างนั้นเลยสนุกกับการเล่นเรือเล่นน้ําอย่างนั้นเวลาเรียนหนังสือผมก็ชอบเล่นกีฬาเล่นกีฬาเนี่ยเล่นจริงเล่นจังเอาจริงก็ช่างแล้วผมจะมีอาการเจ็บตัวบ่อยบนั่นเป็นสัญญาณเตือนไปแต่เราไม่เข้าใจ จนกระทั่งมารับราชการสอนเป็นครูพระศึกษาสอนอยู่ที่อ่างทองเนี่ยวิทยาลัยรักษาจังหวัดอ่างทอง<ม>เดี๋ยวนี้ก็เป็นสถาบันพระศึกษาแล้วสอนว่ายน้นํานีครั้งเนี่ยเป็นครั้งที่ทําให้เราจดจําในชีวิตจนกั่งปัจจุบันนีสอนวิชาว่ายน้ํากระโดดน้ำลงไปในสระว่ายน้ำเนี่ยสระมณีสองด้านด้านหนึ่งคือด้านลึกอีกด้านหนึ่งคือด้านตื้น ผมไปกระโดดน้ําตรงด้านตึ้นแล้วกระโดดลงไปแล้วสองสามครั้งไม่มีปัญหาเลยนะครั้งต่อมาขั้นที่สามเนี่ยร่างกายมันเพลียแล้วมันอ่อนเพลียแล้วน่าจะหยุดน่าจะเลิกแต่ก็ไม่ยอมก็เสียงกระโดดลงไปนี่เสียงนะกระโดดลงไปอย่างขาดสติด้วยความประมาาเนี่ยคุ้งหลาลงไปศีรษะไปกระแทกถึงพื้นเลยกระ ด, ดูกต้นคอนี่หักร่างกายส่วนล่างเนเป็นอัมาพาตไปทันทีเลยเคลื่อนไหวเองไม่ได้ แล้วก็เลยเปลี่ยนชีวิตมากลายเป็นคนพิการใช้ชีวิตอยู่ในสภาพเนี่ยมาสามสิบปีเพราะความประมาทเสี่ยงคิดว่าเราทําได้ตั้งแต่เป็ น, นต้นป่าเนี่ยที่สาวไว้น้ําอะไรจะมีกฎมีก ฎ, กฎต่างๆตั้งไว้เยอะเลยแล้วก็มีสารพระภูมิเลยนะสารพะภูมิของผมเลยนะเป็นสารพะภูมิยังไม่ตายแต่มีสารพระภูมิเป็นสารส่วนตัวแนละ้วใครจะมาอาบน้ํามาเล่นน้า ต้องทำความเข้าใจว่าสารเนี่ยสร้างขึ้นมาเพราะว่าสาเหตุจากผมเนี่ยเป็นต้นเรื่องของความประมาทแต่และคนเลยเกิดการระวังไม่กล้าเห็นไหมแล้วพอร่างกายไปงี้แล้วเนี่ยมันมันทุก์มากมันช่วยตัวเองไม่ได้ทุกขเวทนาบีบคั้นร่างกายก็มีเยอะและทุกขทางใจก็มีมากอยากจะไปไหนก็ไม่ได้ไปอยากทำอะไรก็ไม่ได้บีบคั้นนะ บีบคั้นทาให้เราต้องเป็นทุกทั้งกายทั้งใจเลยแล้วผมทํำยังไงตอนแรกก็ทอ้อแท้เหมือนกันต่อมาเนี่ยเอ้ยเราจะคิดทอ้อแท้ไปทําไมเนาะเราหาทางออกดีกว่ามีทางเดียวก็คือการสนใจกับธรรมะปฏิบัติธรรมะหันเหชีวิตมาสนใจกับธรรมะธรรมะทําให้ผมเปลี่ยนชีวิตใหม่ได้ด้วยการฝึกสติใช้ชีวิตอย่างมีสติ ปกติแล้วผมไปไหนไม่ค่อยได้หรอกแต่นอนอยู่บนเตียงเคลื่อนไหวได้น้อยมากจะไปไหนก็ต้องมีคนช่วยแต่อยู่บนเตียงบนนด้วยการมีสติศึกษาชีวิตศึกษาเรื่องของกายเรื่องของใจจนเข้าใจชีวิตทําใจกับสภาพเจนี้ได้อยู่อย่างไม่ต้องมีความทุกข์ปเปลี่ยนตอนแกขาดสติมีความประมาทต่อร่างกายพิการต่มาเปลี่ยนชีวิตด้วยการปฏิบัติธรรมนะ แก้ปัญหาชีวิตได้แล้วก็พอคิดย้อนหลังไปมันรู้สึกขนหัวลุก <c oughs> โอ้เราชีวิตเราเนี่มันผ่านมาแบบแบบประมาททางนั้นเลยขนหัวลุกไม่กล้าที่จะไปประมาทเหมือนเดิมจะทำแล้วต้องใคร้ายควรก่อนเสมอเสมออันเนี้ยเห็นไม่มประมาทแค่เสี้ยววินาทีเดียวนะมันเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเลย จากคนปกติมากาลเนคนพิการแล้วก็ใช้การปฏิบัติธรรมไเปลี่ยนชีวิตจากร้ายมาปลายเป็นดีได้ในตอนหลังก็ mm hmm. เ, เพราะการปฏิบัติธรรม mm hmm. เนี่ยเพราะเรื่องราวผมที่เป็นอุทาหรณ์สอนใจกับทุกท่านเนี่ยในครที่ผมเป็นเทวทูตมาเตือนจิตสกิดใจว่าไม่ควรประมาท ในการทำงานแล้วก็ในการใช้ชีวิตทำงานอย่างมีสติแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยการมีธรรมะเป็นผู้นาชีวิตไปถ้ามีสติทีไรเนี่ยมันปลอดภัยปลอดภัยทั้งการทำงานปลอดภัยทั้งการใช้ชีวิตเดี๋ยวก่อนจะจบในวันนี้นี่ก็อยากจะให้คาถาให้คาถาไว้ป้องกันภัยสนใจหม คาถาพ้องกันภัยสามคำเป็นคาถาที่ไม่ต้องท่องแต่ต้องทำคาถาเนี้ใช้ตลอดชีวิตเลยนะเนี่ยเป็นคาถาที่ไม่ต้องท่องแต่ต้องทำสามคำจำได้แม่นก็คือรู้ศึกตัวสามคำยากไหมสามคำนะไม่ต้องท่องนะแต่ขอให้ทำ วิธีการทําก็คือไหนลองเอามือขวาไว้ข้างหลังสิเอามือขวาข้างหลังขาถาที่ต้องทํานะไม่ต้องท่องใช้ตลอดชีวิตเลยทีนี้เรามีขาถารู้สึกตัวนี้แล้วเนี่ยสบายเลยเป็นการตั้งสติเวลาเจอปฏิพันต่ า, า, า, างเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยทําความรู้สึกตัวก่อนรู้ตัวก่อนเวลาจิตมันเครียดให้รู้สึกตัวหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ สองสามครั้งเนี่ยความเครียดก็จะหายไป เ, เวลาใจมันโกรธหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้สึกเนี่ยความกรธก็หายไปสามคำ เ, เวลาเจอปฏิภั ย, ยให้ตั้งสติให้ได้ก่อนแล้วสติเนี่ยจะช่วยนําเอาปัญญามาแก้ปัญหาเหตุการณ์เหล่านั้นได้คนบางคนเนี่ยเช่นเวลาเกิดไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยขาดสติเลยทําอะไรไม่ถูก หลงลืมทำอะไรผูกตื่นนกตกใจบางทีดูทีวีอยู่เนี่ ย, ฟยไฟไหม้คว้ารีโมทแน่เดียวอันนี้เพระาะขาดสติดั ง, งนะั้นเพราะฉะนั้นถ้าหาว่าเกิดอุบัติภายเนี่ยตั้งสติให้ได้ก่อนอื่นตั้งสติแน้ก่อนเพราะวิสติแล้วเนี่ยสติก็จะช่วยจะช่วยทําให้เกิดปัญญาให้เกิดสมาธิแก้ปัญหาเหตุการณ์ได้ทันท่วงทีแล้วก็ไม่ผิดพลาด นะคาถาเนี่ยสามควาศักดิ์สิทธิ์มากให้รู้สึกตัวนคาถาที่ต้องคําแต่ไม่ต้องท่องถ้าจะให้ดีด้วยนะให้คาถาที่ศักดิ์สิทธิ์นะถ้าเจอปัญหาเจออุบัติภัยต่างๆเนี่ยวิ่งหนีด้วยจะช่วยคาถาไหมวิ่งหนียังมีสติเนี่ยมันช่วยคาถาได้บางคนวิ่งแบบขาดสติไปเลยก็เจงเ๊งไปเลยวันนี้ก็ดีนะเนี่ยได้มาพูดคุย มาทำห้ที่เป็นเทวทูตช่วยเตือนสิจิตใจนำเอาประสบการณ์ต่างๆมาแบ่งปันกันคงจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะก็ไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่ควรนำเอาไปพิจารณากฎ5้าข้อที่มีไว้ให้มีจิตสนึกที่จะคร่ควรแล้วก็ทำตามและถ้าเจอปัญหาชีวิตค่อยศึกษาธรรมะเพื่อแก้ปัญหาชีวิตเราได้